เ็ความเ็นรนนรมทุกคนนะเราก็มีส่วนมาหาคติประธานและสูตแต่มันก็เป็นเพียงแค่ย่อยยอดเปนเพียงแค่การตัดมาราส่วนให้เราไดส่วนแล้วก็ ร่างตายเพราะว่าตัวเองเราจะลืมเรามีร่างตายแต่เราก็ลืรู้ถึงความรู้สึกในร่างกายของเราเองเพราะอะไรเพราะเราจะหลบไปคิดวันๆหนึ่งเนี่ยจริงๆเราก็คิดนั่นคิดนี่หรือวพอเราติดอารมณ์นะเรจอแล้วไติดอารมณ์มันก็ติดหลบะติดอารมณ์ก็คือไปต่อไม่ได้ มีคนด่าเราเมื่อเช้าก็หงุดหงทั้งวันเอยใช่ไหมหรือว่าอาลงกลมัวไม่ตื่ไม่สบชื่อนี่เลยก็ติดอารมณ์หรือเวลาบางทีเราพอใจอะไรก็แล้วแต่นะบางทีก็ติดอารมณ์เหมือนกันนะเขาคิดถึงเรื่องที่เราชอบคิดถึงเรื่องที่เรามีความสุขเด็กคนก็ติดอารมณ์ ในเรื่องที่ไม่พอใจตรนี้ตระหนักแต่คือพอเราไปติดอารมณ์หรือว่าเราหลงในอารมณ์ต่างๆเราก็จะลืรู้ตัวเพราะเราจะไปคิดเราจะไปรู้สึกแต่เรื่องที่เป็นเรื่องนอกตัวเรื่องนอกตัวอย่างนี้คือมันเกิดเมื่อวานนี้มันเกิดเมื่อเช้านี้อะไรเนี้ยแต่เราก็จะมาคิดนคิดอยู่ คือบางทีอารมณ์เกิดขึ้นเช่นความวกังวลใจมันคือเราไปคิดต่อแนวโน้มนะคิดว่าถ้าเจอวนันนี้ต่อไปเราจะทำอะไรดีนะคิดว่าเราต้องแก้ปัญหาในอนาคตอย่างไรดีบางทีเราต้อง่ไปคิดถ้นะทาท่านที่บางทีเราลืมตัวว่าปฏิบัติถ้าเราทําปฏิบัตินี้ก่อนเดี๋ยวต่อไปอนวโน้ะมันก็จะทําได้เอง แ, แล้วทีเราก็ความเงนใจควาเงินใจดีไหมบางทีเราเห็นคนเช่นเห็นคนเป็นะเร็งเราไปเยี่ยขยแล้วก็คิดถ้าเราเป็นน่ า, าจะเป็นแบบหนดีเราจะได้เปยนเปล่าเงิน น, นะออใช่ไหมอืมบางทีมันก็เราไม่รู้จับ น, นะเราใช้ความคิดไปวางแผนร่วมหน้าอม่มันก็ดีแต่สำคัญทีิงีต้องวางที่เป็นนะอืมคิดไม่ใช่ว่าอ้าม ไม่ใช่ว่าอั้ไม่ให้คิดคิดได้แต่ปัญหาของเราคือสว่างไม่มติดมันไม่ติดติดความกังวลใจนในสิ่งที่มันยังไม่เกิดขึ้นอันนี้คือปัญหาของเราเนแสดงว่าเราอาจจะมีติดติดในความคิดทั้งคดีก็ดีหรือความกังวลใจในในาคดีหรือบางทีก็ติดในสิ่งที่มันกระทบในปัจจุบันนั่นแหละ เกตในเวลาเราเราอยู่ในที่ที่ครอสร้างวุ่นวายน ะ, นะเช่นในตลาดราราค้าหรือที่ที่คนสมเสียงดังหน้ า, ามาบางทีเราก็พอได้ยินเสียงพอเราได้เห็นคือเราสัมผัสความรู้สึกเช่นคนเข้ากาลักบิดพ้นก็รี่ร้อนเราไปสัมผัสความร้ยใจความบิบของเขาได้เราก็จะเอาเขา้ามาเป็นอารมณ์เราเ้วยนะ มันมีมันก็จะทำให้เราไปติดในลรงที่ปัจจุบันหรือบางทีสิ่งที่เกิดขึ้นจะก้าวหน้าแล้วมันมันมึนดุให้เราสนใจะการท้าการขายสิ่งที่เราชอบต่างๆมันจะมึดูเราไปพวกเนี้ยที่พูดนะแล้วอมันทําให้เราลืมตัวปัญหาต่างๆนั่นคือทำให้เราลืมตัวนะแล้วเราก็คิดว่าการลืมตัวนี่เป็นเรื่องที่น เป็นเรื่องปกติแต่พอเราภาวนาจรณอีกทีๆเราจะเห็นว่าป็นความอื่นตัวนั่นแหละมันทําให้ถ้าเราทําเป็นปกติมันก็เป็นนิสัยเป็นความเคยชินอะเจ้าตู้ภาษาภาษาทางการก็จะเป็นสันดานนะสันดานเป็นเป็นเรียกว่าเป็นที่งที่เราทป็นเป็นความเคยชินเป็นนิสัยเราเคยชินที่จะโกรธแล้วต้องมีสันดานกดขี่โกรธ เราเคยชินที่จะหลงไปคิดแล้วก็มีสันดาห์ในการทอบรักคิดเราเคชินในการขี้เกียจแล้วก็เป็นคขี้เกียจนี่คือสันดาหที่มันเกิดจากการที่เราสะสมพระพุทธเจ้านะท่านสอนอะไรสอนให้เรารับความเคยชินที่เป็นอะไรที่เป็นอกุศลหรือที่เป็นความเคยชินที่เกเรตเขาสะสง หรือว่าเขาเ่าให้เราทำในการปฏิบัติธรรมบางทีก็เลยเหมือนเงินทัวรกระแสนะตกระแสก็ไปชิ น, นเก่าบางคนเคยขี้เกียจก็ต้องฝืนความขี้เกียจของตัเองบางคนเคยปวดง่ายบางทีก็ต้องฝืนนะบางทีแต่ก่อนไม่คิดมากปวดพุ่งกระดาษปันะ๊บจะสบายใจแต่พอมาปฏิบัติธรรมแล้วมาลัางตาทิ้งแล้วนะก็ เริ่มได้าเกิดใจคำว่าเริ่มละอายเกิดใจเนี่ยคือเรามีพลิโตรปะนะมีเรียกว่ามีจิตวิญญาณของของเทวดานางฟ้ายกระดับเรีขึ้นมานะแต่ถ้าภพภูมิของความโจรก็คืออสุรกายเราเริ่มมีละควารละอายเก่ใจนี้คือเรายกระดับจิตของเราอ่าเป็นเทวดาเป็นนางฟ้าแล้วนะอืมแต่บางทีไอ้อสุรกาย ที่มันเคจชินไปไวมันก็จะมาทําให้เรารู้สึกว่าไม่แน่ใจว่าแบบไหนก็สบายใจเอนกันแบบที่แต่ว่าเขาอทันทีรู้สึกมันสบายดีมันไม่ต้องคิดมากแต่ที่จริงเนี่ยสังเกตไหมบางทีการที่จะฝือความเคยชินในอดีตบางทีมันก็ไม่ง่ายนะการที่จะฝุกจิตให้มันยกระดับขึ้นมา มันก็จะมีความคิดในเดมามาดึงอยู่ด้วยแต่นะถ้าเราเห็นว่าโลกนี้เนี่ยมนเป็นทางมันเป็นทางที่เรา เ, ออเริ่มมาถูกทางแล้ว น, นะแม้บางทีมันจะเกิดความลังเลสงสัยแต่เราทําไปบ่อนนะเราจะเกิดความสบายใจก็รละอพอเราพอเรมไม่ดา่าคน อ, อื่นนะใจเราก็มันก็ไม่ต้องโกรธใจกนะันแล้ว เราต้องมีความสบายใจขึ้นแนบบางทีมันต้องฝืนความขิดนะเพราะว่าฝืความคิดเนี่ยมันฝือขอนะอขอ้นะา ง, งในแต่ในท่าทางรูปแบบนะเวลาปฏิบนะัติธรรมเนี่ยให้เราทําแบบเป็นธรรมชาตนะิอย่างพระพุทธเจ้าก็สอนว่ายืนเดินนั่งนอนข้อกีแค่เรารู้ตัวก็ยืนก็รู้ว่าต่างยียอยู่เดินก็รู้ว่าต่างเดิน นั่งเขารูว่านั่งอยู่นอนเขารู้ว่านอนอยู่นะกินดื่มครับทายกู้เหยียดเตลืนไหวที่เหมือนกันแม้พระเจ้าบอกแค่แค่เป็นเรื่องอดตับับท่านไม่ต้องว่าต้องแบบทําให้ช้าช้าทำให้ใหแบบไม่ต้องเป็นอะไรีะเอีมากเราไปทําแบบไหนเราก็ทําทแบบนั้นแหละนะแต่อย่างนว่าเติมแหลรเติมความรู้สึกรู้สึกตัวนะเช่น รู้สึกเพลื่อนมือไปหยิบแก้วน้ํามือสัมผัสกับแก้วน้ํามันก็มีความรู้สึกนะรู้สึกร่างกายส่วนมือไปสัมผัสกับแก้วน้ํามีความเย็นมีความกระทบความแข็งแรงนะคือความรู้สึกที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยมันเราแกล้งมือเนี่ยมันต้องมีความรู้สึกในความรู้สึกแบบเนี้เรามีอยู่แล้วเราเปลี่ยนท่ามาใส่ใจคําว่าความรู้สึกตัวเนี่ยมันเรา ลูกผ่าของเราแล้นะก็มีความรู้สึกเนี่ยคือความรู้สึกเนี่ยซึ่งเราจะมา่งรู้สึกได้ทั้งหมดนะเรากลับมารู้สึกตัวเนี่ยมันจะทําให้จิตมันดุจจากามคิดตุจเทียรัตนะนี่แหละนะบางทีมงคนทีดว่าปฏิบัติทำแล้วมันฉันจะต้องแบบละองโกดได้ทันทีรับความอยากและความหลงได้ทันที ละแล้วไม่กลับมาอีกเลยเนี่ยในขั้นของการที่เราจะฝึกภาวนาอยู่เนี่ยมันละไม่ได้เปลี่ยงฐานมันหลับมันเปลียนว่าหลงไปกลับมาหลงไปกลับมาลงไปกลับมาอาวนั้นคือการกลับมารู้ตัวเนี่แหละกลับมารู้สึกตัวถ้าเราสติบ่อยขึ้นการกลับมาก็ก็กลับมาได้ง่ายเนยกลับมาได้เร็วขึ้น จะเกิดความรู้สึกตัวได้มากขึ้นแต่ถ้าเราขาดสติขาดความรู้สึกตัวเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยกลับมามันก็จะยาวต่อไปเรื่อยเหมือนคนเร่ร่อนเร่เร่อนไปเรื่อยกลับมาไม่ถูกเหมือนคนหลงทางหลงป่าวันนี้นะก็ควรจะล้มควรจะกลับมาได้ในตนาจิตของเราตูเหมือนกันนะจิตที่มันหลงเนี่ยบางทีมันหลงในความคิดหลในอารมณ์เนี่ย สนกเป็นาแต่พอเราเนี่ยกรฐานที่ง่ายจริลบมารู้สึกตัวต่อต่อร่างกายร่างายจะทาอะไรเนี่ยกลับมารู้สึกกลับมารู้สึกมาเนีจะไหนเจเข้าไหนเจออกก็ได้นะหรือร่างกายเตียยบดเคลื่อนไหวก็ได้นะเตียบดที่เราทาในชีวประจำวันเนี่ยเราก็สามารถกลับมารู้สึกตัวได้นะแต่การจะ รู้ทันใจิตใจหรือความคิดเนะ่มันต้องรู้ด้วยการมีสติน ะ, ะเราอยากไปบางทีตอนนี้มันก็มีเรื่องการสอนเรื่องการดูจิต ด, ดูความคิดอะไรนะบางทีเราต้องดูแบบมีสติน ะ, ะถ้าเราไม่มีสตินะเราจะกลายเป็นผู้ไปไปอยู่ในความคิดใช่ไหมเหมือนเราจมลงไปในน้นะ ไปหาดูอะไรในน้ําน่ยมันเหนื่อแล้วก็มันจมไปแต่การมาดูเนี่ยเหมือนอยู่ข้างบนเดินอยู่บนสะานดูน้ําที่อยู่ข้างล่างดูปลาที่เขาไหว่อยู่ในน้ํามันจะเห็นอย่างนั้นนะมันเห็นเหมือนสมมติเหมือนกับสมมติบ่อน้ําหมื อ, อ น, มนแม่น้ำเหมือนกับจิปลาหรือว่าสารลายหรือว่าอะไรก็รแล้วแต่ที่อยู่ในน้ําอ่ะมันเหมือนกับอารมณ์หรือความคิด มันก็เกิดขึ้นในจิตนั่นแหละแต่ตัวดูตัวรู้เนี่ยอยู่ข้างบนอยู่บนฝากอยู่บนสถานไม่ได้เข้าไปเตี่ยรู้เลยมันจะดูแบบนี้นะไม่ใช่ดูเหมือนเอราลงไปดำน้ำําแล้วก็ไปดูดูปลาดูปลาหลากหลายในะน้ํานบางทีถ้าเราดูแบบมีสติเราจะมีฐานเราจะมีที่ตั้งเหมือนที่ประสางเรีวยกว่าเป็นผู้รู้ผู้ดูนะมันจะสามารถดูแบบนั้นได้ แต่ถ้าดูแต่ถ้าไม่มีตัวนี้นะมันจะเข้าไปเป็นผู้คิดผู้นึกผู้ปุ้มผู้แตะเนี่ยมันก็เริ่มจากเรารูเนี่ยเริ่มแต่การที่เรามีสติในการรู้สึกถึงตายจับอยามอย่นียไปเรื่อต่อไปก็จะพัฒนาเป็นรู้สึกถึงตายที่มันได้เอียดขึ้นอย่างเช่นเราเลยจงกรมก็ดีเรยกมือสร้างชบาไดดีเราทำไปบ่อยทำไป้รื่ยต่อไปบางที มันก MM. ็หายใจอยแล้วนะหายใจเข้าหายใจออกกับพิบตาหรือความรู้สึกเลนเล่นน้อยมันก็มีอยู่แล้วนะแต่เพียต่อไปก็จะแทรกเข้ามารู้ได้เยอะขึ้นเริ่มจากการรู้กายหยาบยาต่อไปกายที่ละเอียดขึ้นมันก็รู้สึกนะเวทนาที่เกิดขึ้นกับกายเช่นการรู้สึกสบายหรือสึกรู้สึกหนักหนักหรือบางทีในยาวดที่เราไม่ได้กําหนดนะ เช่นใบหน้าหรือว่าเที่ยส่วนอื่นเนะี่ยบางทีเราก็ไม่รู้นะว่าเราทำแล้วมันมันเครียดนะแต่พอเราที่มีความรู้สึกตัวเนะีเออเราก็จะเห็นแล้ววนะ่าหน้าตาเรามันเกรงเดินไปนะเราขัดตาหรือเดินจคนนะงกรมนะไหลตรงเกรงเนี่ยการเดินไม่ใ่เป็นธรรมชาตินะมันไม่ค่ยมอขามันไม่ค่อย เป็นธรรมชาติเราก็จะปล่อยคลายนนะการรู้ตายที่แต่แรกรู้ใีบทอยาบๆต่อไปเรียบที่มันนั้นเขียดขึ้นอ่ะมันก็จะรู้ตัวต่อไปเวทนาหรือว่าจิตที่มันตื่นขึ้นมามันก็จะแทรกขึ้นเป็นบ่อยๆนะแม้เรารู้ตายเป็นหลักแต่เวทนาหรือจิตใจมันก็จะตื่นขึ้นมาเกิดขึ้นมาแล้วก็เห็นฟ้องเห็น เห็นความคิดเห็นอานรมณ์ขึ้นมาแทรกขึ้นมาแต่เห็นแล้วเนี่ยเรียกว่าอย่าต้องไปสนใจอนะ่ะไม่ต้องคางนับอี่าสนใจคือว่าไม่ต้องไปหาเหตุนะไม่ต้องไปคว้มหาเหตุว่าทําไมเช่นทําไมไมาถึงง่วงหนะแบบนี้เสมอทไมไมาถึงฟุ้งซ่านนะทำไมไมาถึงไม่ตื่นเลยบางทีก็หลงแบบนี้นะบางที เราเหนังสือเราทำ ง, งานบาทีเราเราจจะเคยกินกับการพอเราทำอะไรผิดพลาดหรือทำอะไรไม่ดีเราจะพยายางคิดหาเหตุคิดหาเหตุหาผลคิดให้เกิดความเข้าใจแต่ภาวนาจริงๆนะครูบาอาจารย์ทีจะบอกว่าไม่ต้องเอาเหตุเอาผลไม่ต้องเอาถูกเอาผิดไม่ต้องเอาดีาไม่ดีคำว่าไม่เอาเนี่ยไม่ใช่ว่า เราไม่มีหลักนะแต่สังเกตดีเวแบบลาเราทำไปแล้วเช่นมันง่วงนอนบางทีจิตมันก็จะแบบไม่ชอบนะไม่พอใจมันก็เกิดความคิดหลายอย่างถ้าบางคนจิตใจ อ, อ่อนแอหน่อยก็ค <c ười> ิดว่าไหวหรือเปล่าน่อเอนั่งก็ง่วงเดินก็นง่วงกาแฟช่วยหรือเปลาดีไห ก็แฝดช่วยหรือเปล่านะก็เด็ดคิดจะไว้หรือเปล่ากลับบ้านดีกว่าหรือเปล่าก็เด็ดคิดไปนะหรือบางคนปฏิบัติทำแล้วคลุ้งซ่านะมันทีก็ก็คิดนะคิดไม่ชอบคิดไม่พอใจแต่ความว่านะการรู้จิตเสื่อคือไม่ต้องไปหาหเหตุผลอะไรแค่รู้ว่ามันเป็นอะไรไม่ต้องไปเข้าใจด้วว่ามันเป็นอะไร แต่ต่อไปพอสติมันพัฒนามันจะเกิดความเข้าใจเองมันเป็นการเข้าใจที่ไม่ใช่การคิดเข้าใจนะแต่พอเราผ่านมาได้แล้ว้มันจะเข้าใจเองว่ามันจะเกิดอะไรก็มันจะบอกเองมันจะรู้เองหรือนี้จริงถ้าใจจริงนะพอมาดับไปแล้วมันก็จะไม่สนใจเองมันจะไม่สนใจเช่นกินคิดเรารู้สุดตัวอย่ง ไอ้เรื่องที่งเกี่ยวมงคิดเนี่ยมันก็ไม่ต้องไปสนใจแล้วว่าทําไมมันถึงคิดไม่ต้องไปสนใจมันจะมาี่ดหรือเปล่ามันวางเลยวางเลยวางก็คือทํางาเฉพาะหน้าคิดและพนักนิสติมันจะทำให้เราวางพอเราวางเนี่ยเราจะเห็นว่าไม่ว่าเรื่องอะไรนี่ะมันก็แค่เกิดขึ้นชั่วคาวมันเป็นแกงเป็นแก่ปรากฏการณ์เฉพาะหน้าแล้วสุดท้ายมันก็ มันก็ผ่านไปเนะั้นเหมือนกับเราขับรถเดียวมันก็ผ่านไปเรื่อยผ่านไปเรื่อยจะเป็นที่สวยงามจะเป็นที่ไม่สวยงามที่น่าแวะที่ไม่น่าแวะทางโาค้งทางขึ้นเขาทางโค้งทางเล่าเรียวเราก็ผ่านไปเรอยนะเราไม่ใช่เหมือนขับรถถอยหลังนะอืมเราขับผ่านไปเรื่อยเพราะทีจริงอะไรเพราะว่าเวลา ในชีวิตเราผ่านไปทุกอย่างแต่เราเสียเวลาเพราะเราไปคิดถึงนาฏีเราเสียเวลาเพราะเราไปกังวลในอนาคตเพียงแค่กลับมารู้ตัวแค่ขนะอแล้วกลับมารู้ตัวไม่ต้องเอาปัญญาแบบฉลาดรอบรู้ในการคิดได้คิดได้แต่ทําไม่ได้กนะ็ไม่มีประโยชน์นะ ทำได้บางทีคนทําได้เนี่ยเขาะจะไม่ค่อยพูดมากแต่คนคิดได้เนี่ยจได้มากเนี่ยจะพูดเก่งอพูดเก่งแต่ก็มันทําไม่เป็นนะมันก็ไม่ได้เกิดประโยชน์นั้นนักภาวนาเนาะบางทีเราตั้งใจปฏิบัติธรรมเนี่ยบางทีจะเกิดความตัาหลวงระหวา่างในคำพูดเราจะอืตั้งใจปฏิบัติขัดเก้าตัวเราเองเป็นหล เดี๋ยพึ่งไปคิดสอนคนอื่นไปบอกคนอื่นไปช่วยคนอื่นมากเราเน้นสอนตัวเองก่อนนะกลับมาสอนตัวเองนะตอนไหนมีคนทําอะไรไม่ถูกใจเราเราจะอย่าสอนคนอื่นนะับดูตัวเราก่อนบางทีเราอาจจะอยากสอนคนอื่นเพราะว่าเราโอดเขาก็ได้นะไม่พอใจเขาก็ได้นะเราถึงอยากไปบอกเขาแต่เราดูตัวดูดูใจเราว่ามันกำลังโอดไม่พอใจอยู่นะอะไรนะอืม สราตั้งมาสอนตัวเองมนก็คือการกลับมาดูตัวเองพอเราตัองมาดูตัวเองได้ใจเป็นปกติได้แล้วจะไปบอกไปสอนก็ทาได้ถ้าเราพยายามกลับมาสอ น, น, น, สนตัวเองเยอะในการการทาแล้วกลับมาดูาตัว เ, าานะเราเองบ่อยแล้ททวลที่จริงการการทำของเราแล้วเนะี่ยมันจะเป็นการสอนคนอื่นเขาไปห็นตัวเอง มีคนตอนนี้เราเราไม่ตอบโต้หรือว่าเรานิ่งเฉยได้เขาก็ละอายเสียใจหรือเขาเขก็รู้ตัวเองแหละหรือาอารมณ์เขาก็หายไปเองแหละแต่นอกจากบางคนอาจจะบอกกันเตือนกันเพราะเขาไม่รู้ตัวก็บอกได้แบบนี้เนะี่ยเราก็ทำาะเนี่ยหน้าที่เราคือเราภาวนาให้เยอะหรือบางทีเราภาวนาเาจะมีช่วงหนึ่ง อยากจะบอกค น, นอื่นอยากจะสอนคนอื่นเหมือนเรารู้อะไรสักอย่างแล้วมันก็มันมันเป็นใครมันรู้สึกว่าเราเราดีเราแน่เราเก่งขึ้นะเห็นใครนะี่ยเห็นใครก็อยากจะบอกเป็นใครก็อยากจะสอนเห็นใครก็่ยากจะชวยเขาคุยแต่ธรรมะทั้งหมดบางทีเราก็ต้องกลับมาดูตัวเนะองเนะบางทีก็เรียกว่าติดอารม ติอดอารมณ์เป็นวิปสัสสนูนะอยากจะอยากจะบอกอยกจะสอนต้องมติดความรู้เพราะนี้ยต้องกลับมารู้ตัวนะตลมารู้ตัวพอเรากลับมหาตัวกลับหาทางของเราเนี่ยมันจะเริ่มไปมองคนอื่นบางทีอโลมณ์เขาเนี่ยบางทีบางคนนี้เขไม่รู้ตัว น, นี้นนก็ทําผิดอยากจะไปแนะนําเขาอยากจะไปสอนเขาแต่พอเรากลับมาดูตัวเองก่อน เราดูตัวเองก่อนถ้าเขาอยากจะรู้นะหรือเขาเห็นเรานิ่งเราจะเย็นขึ้นนะเดี๋ยวเขาก็มาถามเองเขาอยากจะรู้หลวงพ่อกลงเขียนท่านสื่อสอนมากระอับ่ะท่านสอนการเทศอมให้เราทําตัวเหมือนก๊อกน้ําก๊อกน้ำคืออะไรพอมีคนต้องการเขาต้อมาเปิดเองอืไม่ใช่เราแบบเปิดน้ํำทิ้งไว้ น้ำมันก็รั่วไปหมดนาะแล้วก็ไม่เกิดประโยชน์หถือว่าไอ้น้ําที่เราใส่แท้งมามันไม่ได้เติมใหม่มันก็หมดเลยอารมณ์ในการเอาวน้ำก็เหมือนกันนะบางทีเราเปิดก๊อกน่ะเปิดก๊อกน้ำทิ้งไว้จะรั่วทำไหนก็แล้วแต่นะรั่วด้วยการอยากจะคิดซ้อนคิดลืนก็ดีคือแต่ส่วนใหญ่บางคนยังไม่ได้อารมณ์นั้นท่าคงยังไม่เป็นครับแต่จริงมันรั่วทำไหน พอเาปฏิบ philosophy.. so ัต so ิตรงนี like ้ท so ั so so ้ง so วันกลับไปก็ไปคุยเมาแตะไปคิดซุ้มตาเยยเนี่ยมันก็ัวอะมันก็ทั่วอะอารมณ์ในการภาวนามันไม่ต่อเนื่องภาวนาเนี่ยมันต้องทให้ต่อเนื่องนะแล้ือที่เราได้ตวจเราพิจารณาเห็นกายในกายอยู่เป็นประจําเนี่าวูเป็นประจันสำคัญอ่ะอยู่เป็นประจานจึงทำให้ต่อเน่ย อตั้งแต่ตื่นเจะะริญสร้างภารพยายามทำให้มากตั้งแต่ตื่นเจริญทำที่เป็นประจําประจําก็คือไม่ใช่เรียนละครั้ง mm. หรือว่าทุกตอนรอนนะประจําคือทุกวันทุกคืน mm. ตลอดที่นีเลยประจำก็คือไม่ใช่แต่ตอนทําในรูปแบบนอกรูปแบบก็คือทําเป็นประจําำสังเกตไหมับเป็นประจำเนย ถ้าเราทําใบประจามันจะง่ายแต่ถ้าเราไม่ค่อยทำใบประจำเนี่ยมันจะยากคืออะไรพอเรามาเริ่มใหม่มันเหนือนต้งมามาอืมมนสื like ่อความสืนใหม่ที่เคยท่วงเมืคอัพที่แล้วกอนมาพอดใหม่ก็งงแหละนะใที่เคยฟุ้งนะก็ตอนมาฟุ้งอยู่แล้วะแต่ถ้าเราทําใบประจํำมันผ่านแล้วโอกาสที่มันจะกลับมาก็นเอยน้องนะมันก็จะผ่านไปเรื่อยทำใบประจํำ มันจะเกิดความต่อเนื่องนั้นตามภาวนาติดกรรมการทาให้ไม่จาบทำให้ไม่จับเนี่ยต้องว่างเลยอะคอยพิจมือนะปวหาเณาก็ต้องตั้งใจนะบางทีพอเคยชินเราทีมันนั่งนี่มันก็จะหลุดไปคิดใช่ไหนจะเบอรนะเบอร์หรือาฏิอารมณ์อะไรเสียก็จะกลับไปคิดหาเหตุทาผลคิดชอบคิดชั่ง เราทีก็ต้องตั้งใจตั้งใจตามความรู้สึกกลัวตั้งใจสร้างความรู้สึกกลัวหรือความถนัดมันเป็นอเรียบทที่เราต้องทำอยู่แล้วเราเขียนแค่ใส่ใจใส่ใจรู้เรากวาดบ้านเรากินข้าวเราเดินน่ะคือตองทำอยูแล้วไม่ต้องไปทำเพิ่ใช่ไหมไอเดียบทันเคลื่อนอยู่แล้วเราเขียนแค่ใส่ใจตามรู้ ตารู้สึกเนี่ยพอเนี่ยบางขนะดแาก็ตั้งใจทำตั้งทียะบทบางขนะดเราก็เีงแค่ใส่ใจตับรู้ก็ไปแล้วอีกขีาหนึ่งก็คือบางขนะดมันแทรกเข้ามากระทบเนี่ยเช่นผักษะกระทบตากระทบหูหรืออย่างกระทบทางรินอะไรก็แล้วแต่มันกระทบแล้วมันเกิดการบ่ง บางทีเรารู้ไม claro. mm. ่ทันตอนกระทบนะแต่บางทีมันจะเห็นตอนเกิดอารมณ์เกิดความชอบเกิดความไม่ชอบเกิดความอยากเกิดความไม่อยากมันจะทบขึ้นมาแล้วก็เห็นมันอ๋อมันอยากมะให้เห็นมันอยากมันชอบก็เห็นมันชอบมันไม่ชอบก็เห็นไม่ชอบไม่ใช่ว่ามันจะไม่มีนะมันก็มีมีความอยากมีความพอใจมีความไม่พอใจ อะไรตา่างๆแต่เราเห็นแล้วเราไม่เป็ลี่ยนครับคือาาการอาวนาไม่ใช่ว่าห้ามไม่ใช่ว่าห้ามว่าต้องไม่มีอารมณ์ต้องไม่มีความคิดต้องไม่มีความรู้สึกไม่ใช่นะักการภาวนาจริงคือให้มันเป็นธรร ม, มชาติามันจะเกิดอะไรขึน้นมาเราก็เป็นแค่มันเกิดขึ้นมาแล้วเ น, นาะก็ไม่ใช่พอใจไม่พอใจ เขแค่เห็นมันเีเฉยๆมันจะค่อยเห็นว่าเนะีเห็นอะไรเห็นกิเลสที่มันนอนเรื่องใน จ, ใจิตใจของเราได้แหละมันนอนเรื่องในจิตใจขอเราเห็นบ่อยๆเนะี่ยอ๋อเราก็จะรู้เข้าทันตัวกิเลสเกิดขึ้นการเห็นเนี่ยคือการมีสตินะอืการมีสตินนะ อ, อ, อนกนจากการรู้สึกถึงบ้างกายต่อไปมันจะ เห็นกิเลสเพิ่มเติบขึ้นในจิตใจพอเห็นกิเลสเกิดขึ้ในในใ จ, จิตใจเนี่ยเหมือนอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าเห็นในช่งผู้ปกผู้ปกหกผูเลวแท้ๆเลยตดคนสร้างภกสร้สางชาติเห็นสาเหตุการเห็นสาเหตุกับการคิดหาเหตุหาผล น, นั้นต่างกนนะจำเกณฑ์ไหการคิดหาเหตุหาผล ว่าทำไมถึเก yeah. ินนอย่างนี้เนี่ยมันเป็นการคิดนะมันไม่ใช่การเห็นแต่พอเรามีสติต่อไปเรื่อยนะมันจะเห็นเองอ๋ออือเห็นที่จริงก็ไม่อะไรนะมันคิดแค่อ๋อพ๋อะล้วก็จบนะบางทีบางคนเหนก็จะพูง่ายๆว่าอ๋อถ้าเขาว่าะคหรืออ่อคือคือจบละแต่ถ้าเกิดสงสัยนะคือมันยังติดอยู่ ถ้าใจอะไรสงสัยเอ่ะทำไมึงปเป็นแบบนี้ทำไมึงปเป็นแบบนั้นนี่คืออย่างติดนะแต่การอ้อ อ, อ้อจบจบจบตรงนั้นแล้วก็กลับมาดูตัวใหม่จะมีอะไรจะไล้แต่แล้วก็ทำนะให้เราทำให้เป็นความใจชินนะทำไป่อยแต่บางทีมันก็ไม่รูออ้ตลอดยอมดูไปดึงตัวไปหลงไป แล้วก็แก้กลับมาใหม่กลับมาไปบ่อยทำอย่านี้ให้เป็นนิสัยเปนความเคยชินขาดภาวนาก็จะง่ายมันง่ายจนกระทั่งจนทั่งไม่มีคือเราก็ทำเป็นชีวิตเป็นกิจวัตรของเราเลยถ้าเราภาวนาแบบนี้นะได้ง่า ย, ายเราจะนั่งบถเราก็รู้สึกตัวถึงการนั่งนะอะไรจะผัดตากะโค้กเช่น คนข้างๆเขาพูดเสียงดังเราก็ได้ยินนะได้ยินแล้วเกิดความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นมาเราก็รู้สึกตัวของเราได้รถติเออมันมันไม่เป็นอย่างที่เราต้องการเราก็รู้สึกถึงเออเรารู้สึกว่ามันไม่อยากเป็นแบบนี้มันก็รู้สึกได้ของเองนะมันก็จะรู้สึกว่าอ๋ออันนีเน <c ười> ้เป็นช่วงเวลาภาวนาไม่ใช่ในช่วงเวลาเสียเวลา มันต้อเวลาภาวนาเท่านั้นเลยอะไรที่ถูกใจอะไรไม่ถูกใจเนะี่ยเป็นเวลาภาวนาเท่านั้นเลยทํางานแล้วมันมีปัญหามีโทรศัพท์เนะี่ยเราจะไม่ถือโอกาสแค่ว่าเป็นปัญหาเป็นเรื่องที่ยุ่งยากใจแต่เราจะถือว่าเป็นโอกาสที่เราได้พัฒนาตัวเราเองอเกิดโอกาสในการพัฒนาในสิ่งที่มันไม่ถูกใจใสิ่งที่มันไม่ถูกต้องอะไ เราจะได้เรียนรู้เรียนรู้จากตัวเราเองเรียนรู้จากการพัฒนาตนเองบ่อยๆแนวตอนทำแบบนี้ได้นะก็ทุกเวลาก็เป็นตามภารณาของเราแล้วต่อไปนะไอ้เวลาที่เราไม่รู้จะต้องภาวนแบบไหนคือเช่นตอนนอนตอนนอนนี่ก็ไม่ต้องตั้งใจเรียนรู้นะก็แค่รู้สึกตัวไปเรื่อยจนท่านมันดับ ไอสติที่เรารู้สึกไปเลยทั้งวันจะนั่งถึงตอนนอนต่อไปมันนอนหลับไปอาจจะคิดอาจะฝันอ่ะมันก็จะไปตัดมันเองนะตัดความคิดตัดความฝันอาจจะไม่ใช่ว่าไม่ถึงกับไม่ฝันนะแต่มันจะนีดแบบมันจะไม่กุงยาวจนทำเราก็รู้สึกว่าฝันไปหลายวเลยหรือฝันยาวเป็นกีเป็นจัง ตื่นขึ้นมาก็ยังติดอารมณ์ทีฝันอยู่แนศีเราจะภาวนาต่เราทําทั้งกลางวันแล้วก็ล้วก็ถึงตอนก่อนนอนต่อไปตอนหลับนะมันก็จะหลับพองตกรมีสติได้นะมันจะเป็นของมาได้เองพอตื่ขึ้นมามันก็จะพมีสติต่อของมันเองได้เนี่ยเราก็ทําแบบแนศีของเราไปๆมันจะคุ้มครอง ทั้งตอนตื่นแล้วก็ตอนหลับนะแล้วก็มันจะรู้สึกตัวได้ทั้งตอนที่เราทําในรูปแบบหรือทํำนอกรูปแบบนะติมันจะเป็นการถัดลมมากนะตีมันจะเกิดความรู้สตัวลงมาเองนะมันก็มันก็จะเป็นคิ้วเป็นจังหวะของเราคะั่สมอย่างที่พระญาติทำนยให้เรามีความรู้สึกตัวในรีบทต่างๆ สติที่มันพัฒนาไปเรื่อยต่อไปทำไมเราถึงสวยแล้วมันเป็นมหาสติมหาคืงมันมากมันเยอะหรือว่ามันมีกำลังมากขึ้นคำว่ามหาสตินะ่ยต่อไปมันจะเป็นตัดสัญญาตัดกิเลสที่มันเป็ น, านารากเง้าทำให้เกิดความทุกข์มันต้องมีกำลังเยอะถึงจะไปเป็นตัดได้นะ มันคล้าๆะมันต้องฝึกจนถ้ามันมีความหนามันก็จะใช้ตัดตัดสัมยชดทีอย่างโดยเฉพาะตัวแรกคือความสำคัญคิดว่าเป็นอะไรภัณยทิฏฐิอกตันสำคัญว่าร่างกายนี่มันเป็นของเราตีในความรู้นะเราก็จะ้เข้าใจว่ามันม่ใช่ของเรา แต่ความโกน่ะมันก็จะตกไปที่เมื่อเป็นของเราในหนัวใช่ไหมร่างกายเมเป็นของของเรามันพอกลับมามีเ่มีสติมากขึ้นอืมมันก็จะรับความเห็นผิดนันไดนะ้มันยังมีร่างกายอยู่แต่สิ่งที่รับคือความเห็นผิดนะความเห็นผิดว่าร่างกายเป็นของของเราหรือว่าลับความน่งเลงสงสัยความไม่แน่ใจว่า ภาวนาไปแล้วยังสนใจในคุณพรุทธพระธรรมะสงฆ์ในยังไม่แน่ใจในแนทางปฏิบัติว่ามันถูกอย่างไรปิดอย่างไรอ่ามันจะเกิดความภาวนาไปมันเกความมั่นใจตรงเอด็กเออมันถูกทางแล้วมันเองนผลละมันไม่สงสัยละอ่าหรือว่าเราจะเรีรู้เลยว่าข้อวัดปฏิบัติอะไรต่างๆเนี่ยอะไรมันไม่ใช่ทําป็นเพียแค่รูปแบบนะ แต่มันจะเข้าใจเข้าใจงงถ้าเรามีสติเนี่ยอยากกูเลยแต่ถ้าขาสติเนี่ยมันก็ติดเหมือนกันมันจะไม่ติดในรูปแบบนะไม่ติดในรูปแบบไม่ทีปฏิบัติไม่ติดในคํนะาพูดคําสอนไม่ติดในพิธีกรรมแต่ไม่ใช่ว่าไม่มีนะก็มีรูปแบบมีพิธีกรรมมีต่างๆแต่ติดแล้วว่ามันรู้แล้วว่า สิงต่างๆนะครับไปเพื่ออะไรที่จริงสิ่งต่างๆนั้นทำไปเพื่อให้เกิดศีลสมาธิปัญญาเท่านั้นเลยเห็นไหมไม่ใช้ทําไปเพื่อให้เกิดอความศัพดิ์สิไม่ใช่ทำไปเพื่อให้เกิ ด, รรกดความมั่มีร่ารวยไม่ใช่ทำไปเพื่อไม่เกิดแบบความสุขแบบสนุกสนานแต่จริงเราทําทุกอย่างเพื่อเกิดศีลสมาธิปัญญา เมื่อเกิดสิงธรรมิตปัญญาไม่ได้เกิดความถลุกผลของมันสีงคืออะไรสิงคือศีลาศีลาย่อมาก็คือสีงสีลาคือก้อนหินมันหนักแน่นมันมั่นคงมันไม่หลว่อยสิงคือศีลาหนักแน่นและหนักแน่นอะไรหนักแน่นไม่ผทำไม่ทำชั่วะสีงคือเครื่องติดกั้น ให้ให้มันหนักแน่นไม่กล้าทำชั่วนะแม้บางทีอาคิดชั่วนะคิดไม่ดีแต่มันหนักแน่นไม่ทำไม่พูดนะมันหนักแน่นในใจนะต่อไปความหนักแน่นที่ด้ว่อหวความคิดตัวนั้นก็จะลดลงไปนะมันหนักแน่นแบบนี้สมาธิคืออะไรจิตมันตั้งมั่นมันมั่นคงนะหนักแน่นก็หนักแน่นบางทีมันต้องโผล่นะเสียงที โผงโงใจแต่ความมั่นคงตั้งนมั่นเนี่ยคือมันมันเดอมันไม่ต้องแบบไม่ต้องพยายามมันเป็นความรู้สึกว่ามันมันคงที่เที่บมันไม่วา่นไหวอารมณ์ตืึนเกิดขึ้นมาเมื่อไรที่เรามีสมาธิดีมันไม่หวั่นไหวเช่นเหมือนตาตาตกล่ะจิตมันก็เฉยเฉยนะ ไม่ปรุงเปชอบยวให้ปรุงเปรี้ยวขนะนี่สื่อมันไม่หวานไวแต่มันเป็นสมาธิถ้าไปแค่สมาธิเราทำแบบสมาธิแบบเป็นสมาธิมันอาจจะไม่หวานไวแต่ถ้ามันไม่รู้ตัวเนี่ยเช่นเราชิ้เชื่อนิ่งๆนะแต่เราไม่รู้ตัวเนี่ยอันนี้ก็ไม่มีสมาธิที่เกิดปัญญาเนาะนันต้องมีปัญญาคือการมีสตินะมันเป็นสมาธิที่เกิดจากการ รู้แต่ไม่ไหวนะหรือถ้าสมาธิยังไม่ตั้งมั่นขนาด น, นั้นมันไหวไปแต่กลับมาได้นะกลับมาได้ก็ถือว่าเราเราสติเป็นตัวนําสมาธิเป็นตัวตามพอเราเห็นมันได้บ่อยปัญญาคืออะไรเห็นการเกิดดับนะเห็นตั้งเกิดดับของอะไรของความคิดของกิเลสของอารมณ์ในจิตนี่แะคือปัญญานะ ก า, ารรู้ตั ว, ชาาต ว, ว, ตวตเช่นการู้การเคลื่อนไหวรู้การหนึ่งที่ของร่างกายมันยังไม่ใช่ปัญญาแต่มเป็นสติสติในการรู้ตัวเรื่อยๆพอเห็นความคิดมันเถื่อแทรกมาเห็นแล้วความคิดหายไปดับไปเรียกว่าเห็ น, น, นาอาการเกิดดับเกิดดับของของจิตแนบมาเป็ น, นหึงเป็นปรญยา ทุกสิ่หรืก อ, อย่างมีการเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเท่านั้นพรนะัญญ า, าโกเทญันท่านเห็นเลนะนะเห็นการเกิดดนะับแบบนี้ท่านก็เลยได้เห็นผสมรูปแรกของโลกที่เราเห็นไงนะเห็นการเกิดดับภายในจิตของท่านนะเห็นอะไรเห็นควนะามไนมะ่เที่ยงเห็นนิจจาวุ่นวายนานะเห็นอ๋อมันก็เลยวางไป น, นี่คือตัวสัญญานะแต่ก็ต้องพัฒนาไปเล ย, เลย แต่ที่เห็นไปเรื่อยมันก็ยังไม่ได้หลุดพ้นเสียทีเดียวนะแต่มันก็เป็นการหลุดพ้นที่ลักษณะก็ต้องบ่มกล้าปัญญาทุกไปเลยท่านมีศีลมีสมาธิมีปัญญาก็บ่มไปเลยเดินปัญญาในรูปตะขาเรียกว่าเดินปัญญาก็คือเห็นเห็นว่ามันเกิดดับไปบ่อยเกิดดับไปบ่อยเห็นไปบ่อยเดินท่านกิตมันคลายความมั่นถื้มตื้น มันเห็นไม่ใช่เห็นคั้งเดียวแต่คายน่ยเห็นแล้วมันเหมือนจยใช้ใช้เหมือนมีจอะมีแหนอยู่ในสาะเองเหมือนเรโยนหินเข้าไปอ่ะเจอกแหนกระจายไปนิดนึงอ่ะพอพัดังความแรงของหินที่โยนไปหมดอ่ะมันก็จะตัดเบือหม่เป็นแบบนั้นนะมันเรามันต้องโยนหินหลายทีังินก้อนใหญ่ที่นแบบเรียกว่า ทำใ้กอย่างจะเจริญงวนะมันก็สะอามันสะสมไปเรื่อลล ย, ยอันนี้คือเราสะสมความเห็นเดินปัญญา น, ะนั้นกันทีเรามีสมาธิอารมณ์เฉยๆสงบเฉยนะมันทำไ้ตัดเกล็่ได้เพราะว่ามันไม่ไมไ ม, ไม่ใช่กา ร, รําระเกล็แต่การเดินปัญญาเห็นการเกิดดับปบ่อยเกิดดับไปบ่อยนะ มันจะเป็นการชำระกิเลสได้เพราะอะไรเห็นว่ามันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตวมันก็วางได้คนเดียเนี่ยเราก็พยายามฝึกตรงนี้บ่อยๆเนาะก็พูดให้ฟังไห้ก่อนนะให้เกิดฐานความเข้าใจแต่ผิดแล้วคราวนี้คือเราก็ต้องลองทํำดูอย่าเพิ่งไปเชื่ออะไง่ายๆนะทที่สุดลองทํา ทำแบบสบายๆทำแบบเล่นเละนะทำแบบนี่ต้องมีคิดว่าเราจะได้อะไรเพียงแค่รู้รู้สิ่งเกิดขึ้นในขณะที่ทำเช่นตั้งใจเคลื่อนไหวตั้งใจเดินนีอาศัยความตั้งใจไว้ก่อนแต่ไม่ใช่ตั้งใจแบบเกรงหรือเท่งนะตั้งใจก็คือเหมือนตั้งใจเคลื่อนไหว พอตั้งใจเคลืนไหวก็เอาใจมาปล่อยตับรู้ปล่อยตับรู้ปล่อยรู้สึกรู้สึกถึงการเคลื่อนถึงการอยู่ถึงการกระทบถึงการสัมผัสแต่ความรู้สึกนี้ไม่ใช่ว่าป่อยไปเจ้าอยู่แค่ตรงที่เคลื่อนนะที่เรารู้สึกรวมๆรู้สึกรวมๆไอ้ที่เคลื่อนมันก็จะเด่นกับเคลื่อนรู้สึกแบบนี้ไปสบายๆไม่ใช่ไปเจ้ามากเกินไป พอมันมีความคิดมีลมเกิดขึ้นมาเราก็เห็นเห็นแล้วไม่ต้องไปสงสัยไม่ต้องไปคิดเอ๊ะทำไมเป็นแบบนั้นแบบนี้ถ้าเอ็เมื่อไหร่นะให้กลับมารู้ตวเลยนะอบางทีถ้าเอ๊กนั่น ม, มันจะเผลอไปคิดหาคําตอบแต่เอ็กเมื่อไหร่กลับมารู้ตัวก่นอนกลับมาทำให้มันชัดไม่กินใหญ่คิดมากกลับมาทําำมันชัดขึ้นอื แต่พอมันจะเรียกเป็นการดึงออกมาจากความคิดกำลังรื้อตัวต่อไปมันเกิดอะดับขึ้นมาทีไรอ้อจะอ้อมเองหายเวลานะกลับไปแล้วนะช้าของมันนะเป็นใจทำให้เราทำไปเรื่อยๆแบบสบายๆนะทำแบบค่อนคายนะแต่ก็ให้ทําเยอะๆนะพอเราทําเราก็ได้ ครูบาอาจารย์ท่านทำท่านจะได้เราข้อเอง่นะอุบัตเห็นแล้วเขาเ้มมาใจธรรมะศาสนาเนี่ยเป็นเรื่องของเรานะแต่ก่อนเนี่ยเราคิดว่าธรรมะเป็นเรื่องของวัดเป็นเรื่องของพระเป็นเรื่องของคณะสงฆ์แตจริงธรรมะศาสนาคือเรื่องของเราอะไรเราดีก็เปิดของเราเองเราชั่วก็เกิดของเราเองเนปะ็นเรื่องของเราเท่านั้นเลยนะ แต่เรามีจ่รยานะุสิตเนาะมีพระพุทธเจ้ามีครบาอาจารย์มีเพื่อนโลปฏิบัติธรรมได้กันเนี่ยมันอุ่นใจอนะุ่นใจแราภาวนามีเพื่อนทำได้แตนมันอุ่นใจแต่ถ้าเราทำคนเดียวนะียมันไม่ค่อยอุ่นใจอย่างที่วัดก็จะมีพระจัดสายประเทศนะมีญี่ปุ่นก็มีสีรังตาก็มีจี ก, ก็มี บางทีก็มีลาวว่ามีบางประเทศก็มาว่าแต่ส่วนี่ก็จะยิ่ปืนทีถิ่นตรางนะพอท่านได้เรียนวิธีปฏิบัติแบบนม้นก็เรียนอะ่ะท่านก็เกิดความสนใจแล้วก็ทำทำต่อแต่พอทำไปแล้วก็รู้สึกบางทีเราเวลาอยู่วัดคนเดียวไม่มีคนอื่นปฏิบัติด้วยมันไม่ค่อยเกิดแนวร่วบางทีมันก็แบบ คนหนึ่งเขาก็แบบไม่เข้าใจเราทําอะไรประมาณนี้หรือทำไปแล้วมันก็เหมือนไม่ไม่มีเพื่อนทีครูบาอาจารย์เขบอกอ ม, มาเมืองไทยนะอะ น, นั้นมาหาแล้วก็วเขียนนะมาอยู่กับท่านให้ท่านเลี้ยงต่อหรือว่ามีนักปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมเป็นเพื่อนอะไรคนมันเกิดความอุ่นใจเขาก็รู้สึกได้เห็นนะว่าตอนทํำคนเดียวมันมันรู้สึกยากกว่าตอนที่ มามาอยู่ที่บ้าก็ต้องมีเพื่นปฏิบัติมันเกิดคล้ายๆเกิดตรงดาวมูเกิดความเพียนแล้วก็อเรีวยกว่าไม่ท้อถอยแล้วก็ภรวนาได้งนน่ายขึ้นก็รักเองเรืเ่องหลังการนะก็อยู่ที่นี่เราจะมีเพื่อนเห็นหน้าเห็นตากันนะแต่พอเรากลับไปที่บ้านนะแต่เราคนนี้เป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกแต่ทําด้วยกันเป็นสามีเป็นญาปฏิบัติ้ล่นก็ดี แต่บางคนกลับไปที่บ้านอยู่ที่ทํางานไม่มีเพื่อนพอลานะก็แต่ก็ให้เราได้รู้ว่ายังมีเพื่อนของเราปฏิบัติอยู่ที่หน้าที่นี่นะในเมืองไทยในที่ทํางานคน้าที่ในเท้องถิ่นคนละแขกหรือในวัดคนละวัดแต่ก็เป็นเพื่อนร่วมทางเหมือนกันนะอบางขณะเราต้อยู่คนเดียวก็ต้องอยู่ได้นะอบางขณะเรามีเพื่อน ม, ม, ม, มีกลุ่มเรก็ทำของเราให้ได้นะเราก็ทำ แล้วก็ในที huh. ่นี c c ้มีใครยังไม่เคยฝึบ้างไหมมีสอ่อรเดี๋ยวี่ปฏิบัติเ่เดินานนะเกียานะครับมาหน้าก็ได้ย่อวิธีฝึก